แก่นธรรมก็คือสัจธรรมที่เป็นความจ ร, รมิงรูปประธรรมกับนามปรธรรมเป็นตัวทุกข์กายกระใจของเราเนี่ยเป็นแก่นธรรมแต่ว่าถ้ากายกระใจนี้ยังเป็นบุคลาที่ถามอยู่ยังอาศัยบุคคลอาศัยสัตว์อาศัยบุคคลอยูว่าสิ่งที่มีชีวิตคืออะไรบอกคือสัตว์ทั้งหลายนี่เราเข้าใจกันหมูหมากาไก่มแมลงนกกาต่างๆทั้งหลายนี่เป็นสิ่งมีชีวิต สัตว์นี่เราชี้กันเขาใจแต่ถ้าหยุดอยู่แล้วจะไปชี้รูปน้ำนะรูปนา้ำและตัวชีวิตอยู่ตรงไหนอีกเราต้องเรียนต้องศึกษ า, านักเรียนอภิธรรมก็ศัพท์ตัวชีวิตเป็นถ้ารูปก็ชีวิตเจตสิกเขาตามหล่อเลี้ยงไว้ถ้านามก็ชีวิตเจนซีเจตสิกเพราะนั้นรูปนามขันหน้าของหลับของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย เขาเกิดมาจากกรรมพอเกิดมาแล้วบอกว่าไอ้กิเลสเขาตามมาครอบงำอนุสัยกิเลสตามมาครอบงำจิตใจของเรามีการมราคาอนุสัยภาวะราคาอนุสัยทิฏฐานุสัยมานานุสัยเวทิกิจชานุสัยอวิชานุสัยเขาตามมาครอบงำกิเลสตามมาครอบงำไม่ใช่กิเลสเท่านั้นนที่ตามมาเนี่ย ไอ้กรรมเขายัางตามมารักษากรรมมตามมารักษาอีกกรรมตามมารักษาอย่างไรกรรมตามมารักษารูปส่งรูปชีวิตเขามารักษารูปที่เกิดจากกรรมกรรมส่งชีวิตทินทรีย์เจตสิกมารักษานามนี่เพราะนั้นผู้ตามรักษาเนี่ยคือตัวชีวิตเพราะนั้นความตายของสัตว์ทั้งหลายในอะไรตายรูปชีวิต ดับสลายนามชีวิตดับสลายเขาถือเอาตรงชีวิตที่เป็นตัวสภาวธรรมโดยตรงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาตัวชีวิตเป็นผู้แตกดับเป็นผู้ทําลายไปอันนี้เราก็ต้องแต่ละถ้าจะไปพูดให้ผู้อื่นฟังได้ยิ น, นยได้ฟังอย่างนี้แหละเขาก็ไม่เข้าใจนอกจากผู้ที่ศึกษาสภาวธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยจึงจะเข้าใจได้เพราะนั้น ทั้งกิเลสทั้งกรรมเนี่ยเขาตามมาแต่เราไม่รู้แต่ตัว ก, กรรมเน่ยเขาตามมาเพียงแค่อนุบาลรักษาให้ทรงอยู่ได้ให้รูปทรงอยู่ได้ให้นามทรงอยู่ได้เราเรียกว่ารูปชีวิตนามชีวิตแต่กิเลสที่ตามติดมาเนี่ยเขาจะเป็นปเหตุเป็นปัจจัยให้สร้างกรรมเก่ากรรมใหม่ใ้ตัวรูปชีวิตนามชีวิตเนี่ยเขาไม่ไ้ไม่เขาไม่ได้สร้างกรรมเขาเป็นแต่เพียงยว่าอนุบาลรักษา อนุบาลรักษาให้ดำรงคงอยู่ได้แต่ตัวที่จะสร้างเหตุใหม่กิเลสกิเลสนี่เป็นเหตุในกระทำกรรมนั่นแหละเราจรึงรู้ว่าธรรมชาติของรูปของนามนี่เขาไม่ได้หยุดนิ่งเขามีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นระดับไปอยู่ตลอดเวลาไปเพราะฉะนั้นเหตุนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, ท, าท่านทราบเหตุนี้ครับท่านจึงชี้ ทำที่จะพ้นจากกิเลสที่เราสวดมนต์กันเมื่อกี้นี้ท่านชี้ตัวโลกุตระธรรมท่านชี้โลกุตละธรรมคือพระนิพพานและชี้ส่วนที่จะให้เขาถึงโลกุตละธรรมชี้ส่วนที่จะให้เขาถึงโลกุตละธรรมถ้าว่าในอริยสัจสี่แล้วก็ท่านชี้ให้รู้ทุกให้รู้ทุก ให้รู้ทุกข์ก็รู้ที่รูปที่นามเราให้รู้ทุกข์เรารู้ทุกข์ปุ๊บเนี่ยสมุทัยก็เกิดขึ้นไม่ได้การรู้ทุกข์นี่แหละเป็นตัวมรรคตัวมรรคไปรู้สติปัญญานี่ยแหละเป็นองค์มรรคก็ไปรู้ทุกข์รู้รูปรู้นามและเมื่อรู้ทุกข์รู้รูปรู้นามมากเข้ากิเลสเกิดไม่ได้ก็ทําให้หมดจดจากกิเลสไปแจ้นพริพานได้เพราะฉะนั้นจุดสําคัญในพระศาสนานี่ท่านบอกว่า ให้รู้ความจริงให้รู้ธรรมชาติที่เป็นความจริงแหละใจบริสุทธิ์เท่านั้นแหละให้รู้ความจริงแล้วใจบริสุทธิ์ขณนี้การรู้ความจริงที่จะให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสนั่นะมีวิธีการทำอย่างไรดางก็บอกไว้มีอยู่ทางเดียวคือสติปัฏฐานสี่นี่หนทางที่จะทำให้หมดจดจากกิเลสคือสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่คืออะไรคือสติด้วยที่ตั้งของสติด้วยสตินั้นเป็นผู้กําหนดอารมณ์หรือผู้เพ่งอารมณ์ภู ล, ลึกรู้อารมณ์ปัฏฐานเนี่ยเป็นอารมณ์ที่รองรับการ ล, ลึกรู้ของสติก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมได้ขยายความไปแล้วว่ากายมีสิบสี่ปัจะ มีอนาปาณปปะหนึ่งยิริยาบทปปะหนึ่งสัมปชัญญปะปปะหนึ่งพาทุประาจาัตุธาตุมนสิกนันอสุภะรมฐานเก้าแล้วก็ปฏิกูลสัญญาปฏิกูลปปะอีกหนึ่งเป็นสิบสี่เด็กกันแต่ในสิบสี่อย่างเนี่ยเป็นสมถสะซะสิบเอ็ดอย่าง คืออาณ า, าปานับพระอาสุภะเก้าปฏิกูลบัพพะสิบเอ็ดที่จะเป็นวิปัสนาโดยตรงมีสามยิรยาบทปัพพะรูปเดินยืนนั่งนอนสามปชัญญะปัพพะอิริยาบทย่อยจัตุธาตุมรณะสิกายเหลือสามอย่างที่จะนํามาใช้ในการเจริญวิปัสนาคืออิริยาบทใหญ่อิริยาบทย่อยจัตุธาตุ สามอย่างนี้คัดสรรแล้วอิรยาบทใหญ่เนี่ยเหมาะแก่คนกิเลสหนาะปัญญาน้อยมากที่สุดกิเลสก็มากปัญญาก็มากอย่างมนุษย์สมัยนี้ยุคนี้เนี่ยก็ควรแก่การที่จ ะ, จะเจริญสติปัฏฐานในการพิจารณาอิรยาบทปรับภักพิจารณาอิรยาบทเราก็ศึกษากันแล้ว ว่าอิริยาบถนั่นคืออะไรคือรูปกายที่เราตั้งอยู่ในอาการเดินอาการยืนอาการนั่งอาการนอนเรียกว่าอิริยาบถปัปภะหมายถึงอิริยาบถใหญ่อิริยาบถใหญ่นี่เป็นฐานที่จะรองรับสติรองรับปัญญาและความเพียรส่วนอิริยาบถย่อยอยู่ในลำดับผัดจากอิริยาบถใหญ่ไป เพราะเมื่อสติปัญญาเรามีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญตามพิจารณาอริยาบทใหญ่ดีแล้วหรือครับสติปัญญานั้นก็จะเอื้อมไปรู้ถึงอิริยาบทย่อยด้วยเพราะเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติที่เกี่ยวเนื่องกันถ้าสติสัมชัญญะเราคล่องแคล่วแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปกําหนดอิริยาบทย่อยเริ่มต้นเลยไม่ต้องไปกําหนด แต่ว่าียาบทย่อยนั่นจะเป็นผลเมื่อเราฝึกอบรมียาบทยายใหญ่ได้คล่องแคล่วแล้วนี่แม้แต่นาำท่านก็ยังไม่ได้ให้กาหนดถ้าเราจะกําหนดกายก็กายไปอย่างเดียวเพราะสติปัญญาของเราน้อยให้พิจารากายในกายอย่างๆไปอย่างเดียวนี่เราก็ทราบหลักการไอ้ตัวฐานที่ตั้งของสติคือประฐานเนี่ยสี่กายคือรูปประคันรูปกายเรา ในรูปเดินยืนนั่งนอนนั่นเราจะพิจารณาเจาะจงลงไปในอิริยาบถประเพณกายก็คืออิริยาบถเราเนี่ส่วนเวทนาส่วนจิตส่วนธรรมนั่นจริตของเราไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยแต่ว่าแน่นอนละ่ะเวทนานี่ก็เราเคยรักความสุขเราเกลียดความทุกข์อยู่เสมอะแเราก็พอใจในความสุขนี่ เพราะนั้นเวทนานี้ก็พอจะรู้ได้สําหรับคนมีปัญญาดีหน่อยมีปัญญาไวหน่อยแต่ว่าถ้าคนมีปัญญาช้าหน่อยก็ดูรูปไปดูรูปกายส่วนจิตส่วนธรรมนั่นก็สําหรับคนที่มีทิฏฐิจริตพวกนักคิดนักเห็นต่างๆทั้งหลายถ้านักคิดนักตรึกต่างๆทั้งหลายแต่ยังมีปัญญาช้าอยู่ท่านให้ดูจิตเพราะจิตนั้นมีอย่างเดียว จิตมีราคากะรู้ไม่มีราคากะรู้เนี่ยจิตก็เป็นไปอย่างเดียวเอกกรังกะรู้อารมณ์ทีละอย่งางละอย่างส่วนธรรมทิฏฐิกล้าปัญญากล้าให้ดูธรรมดูทั้งนามทั้งรูปธรรมก็เริ่มต้นแต่นิวรณ์กรรมฉันทะนิวรณ์พยาพาทะนิวรณ์ทีหน้ามิทะนิวรณ์อุทัสจักภูกุจจนิวรณ์วิจิจิานิวรณน ที่เกิดกับเราเป็นประจำก็คือฟุงงงอองฟ้งกับง่วงนิวรณสองตัวฟุ้งกับง่วงสองอย่างนะเพราะนั้นเวลาฟุง้งเวลาง่วงเนี่ยนิวรณแหละนิวรเป็นเจตสิกธรรมถ้าปัญญาเราน้อยเราไม่ต้องไปดูหรอกนามง่วงนามฟุ้งเนี่ยนามง่วงก็ถีหน้ามิทธะนามฟุ้งก็อุทาาัสจักภูขุจักไปดูยากไปดูเขายาก เพราะนั้นจึงบอกว่าปัญญาน้อยนิวรณ์นี้ยอยู่ในหมวดธรรมานุภัสนาสติปัฏฐานและต่อมาก็มีขันต้องดูทั้งรูปทั้งนามมีอายตนะอายตนะทั้งรูปทั้งนามประชุมกันเห็นครั้งหนึ่งอายตนะประชุมกันสี่อย่างรูปลายตนะจักขวาตนะมนายตนะธรรมายตนะเราอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เราอ่านไม่ทัน วัานต้องผู้มีปัญญากล้ายิ่งพวกโพชฌงจะเดิญปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยโพชฌงเจ็ดประการสติสามโพชฌงธรรมวิเยะสามโพชฌงวิริยะสามโพชฌงปีติสามโพชฌงปสติสามโพชฌงสมาธิสามโพชฌงอุเบคาสามโพชฌงโพชฌงเจ็ดเขาแบ่งเป็นสองพวก พวกหนึ่งทำให้จิตใจฟุง้งจิตใจนี่ตื่นฟุ้งอยู่เสมอธรรมวิจยะสามโพชฌงปัญญากล้าวิริยะสามโพชฌงความเพียรกล้าปีติสามโพชฌงนี่ทาที่จะทำให้ตื่นให้จิตฟูอยู่่วนอีกฝ่ายหนึ่งทำให้จิตสงบจิตนิ่งปัทธิสามโพชฌงสมาธิสามโพชฌงอุเบขาสามโพชฌงนี่ทาให้หนิง เราต้องคอยสังเกตว่าจิตมันยังฟุ้งไปวอกแวกไปหรือจิตมันสงบในระหว่างปฏิบัติถ้ามันฟุ้งไปต้องโ่มจิตในคราวที่ควรข่มถ้ามันสงบไปต้องยกจิตในคราวที่ควรยกเนี่ยเพราะนั้นต้องคอยปรับปรุงจิตให้พอดีให้เป็นปทาตั้งสายกลางก น, นี้อะไรเป็นตัวปรับปรุงสติสตินี่เป็นตัวแก้ตัวปรับปรุง สติถ้าพุ่งไปแต่พุ่งไปมากก็หาอุบายทำให้จิตสงบถ้าสงบไปเฉยไปหาอุบายทำให้ตื่นขึ้นมานิดตรงนี้เรียกว่าพกดชงเพราะว่าคนที่ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เข้าทางแล้วเห็นรูปเห็นนามโดยความเป็นใตรักเนี่ยแต่ว่าความเป็นกลางของจิตเนี่ยยังไม่เป็นกลางก็ต้องคอยปรับปรุง เพราะนั้นโพชงนี้ก็ยากและสัจจะนี่ก็ดูรู้ทุกนันละล่าไปถึงสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งตัวมรรคเป็นตัวดูที่จริงการปฏิบัติในอริยสัจสีเนี่ยเขาทำพร้อมกันเอาตัวมรรค ก, ก, สกัสัจจะสติสัมชัญญาและความเพียรเนี่ยเอาไปกำหนดรู้ทุกรู้รูป ร, ร, รู้นามพอเอามรรคไปกาหนดรู้ทุกนั่นแหละกิเลส เกิดไม่ได้ถูกลากไปกิเลส ถ, ถูกลกไปมากเท่าไรเกิดไม่ได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนล้ไปแจ้งปณิพันธ์การเจริญมากในการเจริญการที่ดูรูปรูนามนั่นแหละเพราะนั้นจุดประสงค์ในการปฏิบัติที่สำคัญก็อยู่ที่มักสัจจะสติสามัญญะและความเพียรเนี่ยเอาไปกาหนดรู้ทุกรูป ร, ร, รูนาม ก็ เ, เอามักไปกำหนดรู้ทุกนั่นแหละกิเลสเกิดไม่ได้ถูกลากไปกิเลสถูกลกไปมากเท่าไหร่เกิดไม่ได้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารและไปแจ้งปณิพันธ์การเจริญ ม, กมักในการเจริญการที่ดูรูปรูนามนั่นแหล ะ, ละเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการปฏิบัติที่สําคัญก็อยู่ที่อารมณ์นั้นต้องเป็นรูปหรือนามที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ ตัวทำงานตัวปฏิบัติอยู่ที่สติปัญญาและความเพียรอยู่เท่านี้นะ่ 8, 000, 000, 000, ะแปดมืนสี่พันปฐมคันให้เราเข้าใจแค่นี้แหละสรุปแล้วเนี่ยเข้าใจรู้ความจริงแค่นี้คนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเราพอจะรู้ไหมว่าอิริยาบถเดินอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนนอนอยู่ตรงไหนพอจะจับได้ไหมฮะคิดว่าพอเข้าใจนะคิดว่าพอเข้าใจพูดกันมาหลายครั้งหลายคราว เขามีอยู่เป็นประจายิรยาบทต่างๆเหล่านี้เขามีอยู่เป็นประจาเราไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาถ้าเราทำขึ้นมาผิดเริ่มต้นผิดแะไปจัดแจงขึ้นมาอยู่ในอำนาจบางังคับบัญชาของเราเนี่ยจะไม่เห็นอนัตตาเพราะเราอยู่ในบงังคับบัญชาของเราเราจัดแจงให้เขานั่งเ็เดินก็ยืนได้ผิดเพราะนั้นจึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยพอเริ่มต้นปฏิบัติ สิ่งแรกที่เราจะเริ่มต้นการปฏิบัติต้องเตรียมใจไว้ก่อนเตรียมใจไว้ก็คือต้องอาศัยโยนิโสมนสิกาการปฏิบัติทั้งหมดนั่นะไม่ใช่อะไรอื่นก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาน่นต้องบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ย จะไปถึงพระนิพพานพามันพิบ利บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลจะต้องบริสุทธิ์ยังไงสมาธิบริสุทธิ์ยังไงปัญญาต้องบริสุทธิ์ยังไงอันนี้มีในพุทธศาสนาภาคเย็นผมจะพูดให้ฟังอีกทีเรื่องกุศลในพุทศาสนานวันนี้วิปัสสนาบอกให้อาจารย์สมพรมาอธิบายให้ฟังตักจอมจอมไปนะแล้วก็ภาคเย็นผมจะพูดเรื่อง กุศลในศาสนาในหนังสือมีนิดเดียวแต่เราจะได้เข้าใจว่ากุศลในศาสนาก็มีนอกศาสนาก็มีในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเรต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ศีลทั้งบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญา ก, กับบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวศีลเนี่ยอะไรเป็นองค์ธรรมของศีลถ้าเรามีศีลเป็นที่พึ่งแล้วล่ะก็กายทุจริตวาจีทุจริตก็ ละได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไมลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดทางเพศไม่พูดปดไม่เสพยาย่าถ้าเรามีศีลเป็นที่พึ่งถ้ามีสมาธิเป็นที่พึ่งแล้วแล้วก็มันไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่ออิทธารมณิธารมณ์ไม่หวั่นไหวจิตใจเรายมั่นคงมีสมาธิมีที่พึ่งยิ่งมีปัญญาเป็นที่พึ่งด้วยแล้วแล้วก็เราจะรู้เหตุแห่งความเสื่อมของชีวิตรู้เหตุแห่งความเจริญของสีผิต อย่างไรควรอย่างไรไม่ควรที่เราจะดําเนินชีวิตไปนี่เรามีปัญญาเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราขาดที่พึ่งเราพึ่งคนอื่นซะมากเราลําได้ฝึอกอบรมพึ่งตัวเองซะก่อนถ้าพึ่งตัวเองเนี่ยตามคิดการงานต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราช่วยตัวเองก่อนถ้ามาเหลือวิสัยช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องอาศัยคนอื่นแต่คนอื่นต้องชี้แจงให้ฟัง แต่ถ้าเราเพึ่งตัวเองกำลังบังชาพึ่งตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีศิลแคุณสมาธิคุณปัญญาคุณคนที่เขาช่วยเขาได้บุญคนที่เขาช่วยอุปก า, าระเราเนี่ยคือเราทำให้ให้กุศลเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเขาได้บุญก็เหมือนอย่างที่เราใส่บาตรพระนะ่ เราบอกว่าเป็นไงพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันเอกของโลกเพราะมีคุณธรรมอยู่ใครๆก็ชอบมาทำบุญกับพระนะทาบุญทำบูญกับพระเนี่ยมาที่นี่เห็นพระแย่อูยดีใจทำบุญกับพระเห็นเป็นพระแล้วมีคุณธรรมมีศีลมีศีลละคุณอย่างน้อยแล้วก็บุคคลที่ทำบุญเนี่ยเขาก็มีกุศลมาก เพราะว่าบุญกุศลนั้นประกอบด้วยหนึ่งเจตนาที่จะให้สองวัตถุปัจจัยบริสุทธิ์สามผู้รับบริสุทธิ์ถ้าองค์ประกอบทั้งสามประการนี้บริบูรณ์แล้วเราก็มีความปรับปรึมมีได้ส่วนบุญส่วนกุศลปิติมากอา น, นิสงส์ก็จะทำให้เราอิ่มเ อ, อิบใจในการทำบุญทำกุศล น, นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอาตัวเราเองนเะรื่ลงเป็นที่พึ่ง แต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยท่านบอกตัวตนคนสัตว์เราเขาไม่มีเราจะพึ่งกายพึ่งใจของเราเนี่ยพึ่งยังไงก็พึ่งจากศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณคือเราต้องอบรมเราไม่ได้ให้คนอื่นเขามาพึ่งเราล่ะแต่จะอบรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อใช้อาศัยเป็นที่พึ่งตัวเองเรามีศีลก็ทุจริตกรรมต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้ ความสุขในชาตินี้ก็มีความสุขในชาติหน้าจะได้รับยิ่งสมาธิเนี่ยสมาธิเขาได้ปัจจัยไปจษกศีมีศีนดีแล้วสมาธิดีแล้วถ้าเรารักษาศีนโดยถือเอาตามศีนนั่นแหละมีศรัทธาอย่างเดียวไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปคําขับด้วยศีนนั้นก็งอนเงียบคลอนแคลน ต้องมีสมาธิมีปัญญากำกับด้วยเพราะนั้นเวลาที่บุคคลรักษาศีลนะ่ะจึงมีศีลอย่างเดียวแต่ถ้าบุคคลสำรวมมีสมาธิด้วยสำรวมระวังให้ดีในจิตใจของเราเนี่ยมีสมาธิด้วยอันนี้ก็ทำให้ทั้งศีลทั้งสมาธิเกิดขึ้นแต่ยังขาดปัญญายังบกพร่องเรื่องปัญญาเพราะนั้นในในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ท่านบอกว่าต้องมีไปด้วยกันทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแต่ว่าจะทำอย่างไรท่านก็วางกฎเกณฑ์ไว้หนทางเดียวสติปัฏ ฐ, ฐานสีเอาสติเนี่ยเรามีศรัทธาอยู่แล้วปลูกศรัทธาเราศรัทธาในยกันศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระเจ้ามีสติเนี่ยไปรู้ความจริงที่ตัวเราสิไปตั้งที่ตัวเรา พอสติตั้งระลึกรู้ที่รูปนั่งพุ๊บทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามันเกิดศีลอยู่ที่สติสมาธิอยู่ที่ความเพียรปัญญาอยู่ที่สัมปชัญญะอยู่ที่รู้รูปรู้สึกตัวว่ากำลังดูรูปนั่งครั้งหนึ่งศีลสมาธิปัญญาเกิดรู้สึกตัวกำลังดูรูปนั่งครั้งหนึ่งศีลสมาธิปัญญาเกิดนี่สองท่านนี้เข้าใจว่าจะเลียงระ บางเอื่จะเข้าอยู่ในปฏิบัติกรรมาฐานด้วยจะต้องออกมาถวายพระและออยู่ปฏิบัติดีออกมาประเคนพระดีและอยู่ปฏิบัติดีอยู่ปฏิบัติดีกว่าแต่เจตนาเราทําแล้วทําบุญทํากุศลนี่เป็นกุศลที่จะให้ผลอะไรละ่ะให้ผลในโลกนี้ให้ลกผลในโลกน้นแต่ปฏิบัตินี่ทําเพื่ที่จะให้ได้รับผลเมื่อไหร่โลกไหน พ้นจากโรคทุกโรคไปเลยพ้นจากทุกโรคไปเลยนี่นะวันนั้นคุณค่าในการปฏิบัตินี่จึงยิ่งกว่าคุณค่าอันใดเพราะฉะนั้นที่พึ่งของเราที่ที่อย่างดีที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยที่อีกสองสันเราจะได้เข้าปฏิบัติกันนี่แหละเป็นกุศลที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของสัตว์ของบุคคลทั้งหลายเราได้รู้จักสติปัฏฐานนี่แล้วมาเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมีโชคดีอย่างยิ่งทีเดียว เอ า, ล ะ, เอาอละครับเราาะระคังนานแล้วก็พักไปเพียงแค่นี้ก่อนเพราะความเจริญพาะสุขมีปัญญายังบันเกิดแก่ทุกท่านโดยทวกทัน